ธรรมบทแปลเรื่องธรรมมิกะอุบาสกภาคที่หนึ่งเรื่องที่สิบเดพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลบธรรมมิกะอุบาสกตรัสพระธรรมเทศานานิวาอิทะโมทติเปจโมทติเป็นต้น ตอนอุบาสกและครอบครัวบำเพ็ญกุศลเป็นนิดได้ยินว่าในเมืองสาวัตถีได้มีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมประมาณห้ารอยคนบรรดาอุบาสกเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่งมีอุบาสกเป็นบริวารคนละห้าร้อยอุบาสกที่เป็นหัวหน้า แห่งอุบาสกทั้งหมดเหล่านั้นมีบุตรเจ็ดคนทิดาเจ็ดคนบรรดาบุตรและทิดาเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีสลากยาคูสลากพัดปากิกะพัดสังกะพัดอุโบสถิกะพัดอาคันตุกพัดวัดสาวาสิกะพัดอย่างละที่อย่างละที่ จนเหล่านั้นได้เป็นผู้ชื่อว่าอนุชาตบุตรด้วยกันทั้งหมดทีเดียวเป็นนันว่าสลากยาคูเป็นต้นหนึ่งที่คือของบุตรสิสี่คนของปรยาหนึ่งและของอุบาสกหนึ่งย่อมเป็นใบด้วยประการชนีเขาพร้อมทั้งบุตรและปริยาได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกแจกทานด้วยประการชนีต่อมาในการอื่นโรคเกิดขึ้นแก่เขาอายุสังขารเสื่อมรอบแล้วเขาใครจะสดับฟังธรรมจึงส่งคนไปสู่สำนักของพระาศาสดาด้วยกราบทูลว่า ขอพระองค์ได้โปรดส่งภิกษุแปรูปหรือสิบรูปประทานแก่ข้าพระองค์เทิดประศาสดาทรงส่งภิกษุทั้งหลายไปภิกษุเหล่านั้นไปแล้วนั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ล้อมเตียงของเขาอันเขากล่าวว่าท่านผู้เจริญการเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นของอันกระผมได้โดยยาก กระผมเป็นผู้ทุพัลภาพขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงสาธยายพระสูตรพระสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิดภิกษุทั้งหลายท่านประสงค์จะฟังสูตรไหนละ่ะคุบาศก์เมื่อเขากล่าวว่าสติปัฏฐานสูตรที่พระพุทธเจ้าทุตพระองค์ไม่ทรงละแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงเริ่มสวดพระสูตรที่ว่า เอกายาโนโอยังพิกเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นตอนเทวดานำรถมารับอุบาสกไปเทวโลกก็ในขณะนั้นรถหกคันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเตียมด้วยมาสินทบพันตัวใหญ่ประมาณได้รอยห้าสิบโยชน์มาจาก เทวโลกทั้งหกชัน้นเทวดายืนอยู่บนรถเหล่านั้นต่างเชื้อเชิญนอุบากนั้นว่าข้าพเจ้าจะนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะนำท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอจงเกิดในที่นี้เพื่อความยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าเหมือนคนทำลายภาชนะดิน แล้วถือเอาภาชนะทองคำอุบาสกนั้นไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงรอกร่อนท่านทั้งหลายจงรอกร่อนตอนพวกภิกษุและบุตรธิดาของอุบาสกเข้าใจผิดภิกษุเหล่านั้นตังหยุดนิ่งด้วยเข้าใจว่า อุบาศกนั้นพูดกับเราลำดัดนั้นบุตรและทิดาของเขาคิดว่าบิดาของพวกเราแต่กอ่อนนี้เป็นผู้ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ให้นิมนต์ภิกษุมาให้ทำการสาธยายธรรมแล้วห้ามเสียเองทีเดียวโอ้ชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายไม่มีนี่นนี่แล้ว ก็ต่างพากันร้องไห้พวกภิกษุปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาสที่จะสวดต่อแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสะนะหลีกไปคุณบาสกนั้นยังเวลานิดหน่อยให้ล่วงไปแล้วกลับได้สติถามลูกๆว่าเพระาะเหตุไรพวกเธอจึงคล่ำกรวนกันเล่าพวกบุตรพ่อ พ่อให้นิมนต์ภิกษุมาแล้วฟังธรรมะอยู่ห้ามสีเองทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกผมจึงคิดว่าชื่อว่าสัตว์ผู้ที่ไม่กลัวต่อความตายไม่มีดังนี้จึงคร่ำกรญร้องไห้อุบาสกก็แล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปไปในเสียพูกบุตรทั้งหลายพอ่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายท่านพูดกันว่าไม่เป็นโอกาสเสียแล้ว จึงลุกจากอาสนะหลี่ไปอุบาสกพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครล่ะครับก็เทวดาประจำรถหกคันนำมาจากเทวโลกหกชั้นพักอยู่ในอากาศต่างเปร่งเสียงว่าขอท่านจงยินดีในเทวโลกของข้าพระเจ้าขอท่านจงยินดี ในเทวโลกของข้าพเจ้าพ่อพูดกับเทวดาเหล่านั้นต่างหากพ่อก็รถอยู่ที่ไหนพวกผมไม่เห็นเลยก็พวกเธอมีดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงเพื่อพ่อไหมมีครับพ่อเอาละ่ะเทวโลกชั้นไหนควรเป็นที่รื่นรมพวกบุตรพบดุสิตอันเป็นที่ประทับอยู่ของโพธิสัตว์ ทุกๆพระองค์ของพุทธมารดาและของพระพุทธบิดาเป็นที่รื่นรมสิภาอเอาล่ะถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งจิตเสี่ยงดูว่าขอพวงมาลัยจงคล้องที่รถมาจากพบดุสิตดังนี้แล้วก็เหวี่ยงพวงมาลัยดอกไม้ไปเถอะพวกบุตรเหล่านั้นได้เหวี่ยงไปแล้วพวงดอกไม้นั้น ได้คลองที่แอกรถให้ลงในอากาศมหาชนเห็นแต่พวงดอกไม้นั้นหาได้เห็นรถใหม่อุบาสกจึงกล่าวว่าพวกเจ้าเห็นพวงดอกไม้นั้นไหมเมื่อบุตรตอบว่าเห็นแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพวงดอกไม้นั้นให้ที่รถซึ่งมาจากภพดุสิตเราจะไปสู่ภพดุสิต พวกเจ้ายาวมิตกของบนไปเลยพวกเจ้ามีความปรารถนาจะเกิดในสำนักของเราก็จงทำบุญทั้งหลายตามทํานองที่เราทำแล้วเถิดเหนงนี้ก็ทำกาละดำรงอยู่บนรถที่มาจากพบดุสิตอัตรภาพของเขาสูงประมาณสามข่าวบุดประดับด้วยเครื่องอลังการหนักได้60สเล่มเกวียน เกิดในทันใดนั่นเองนางอับสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ววิมานแก้วประมาณ25โยตปรากฏขึ้นแล้วพระาศาสดาตรัสตามแม้พภิกษุเหล่านั้นผู้มาถึงวิหารโดยลำดับว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือฟังแล้วพระเจ้าค่า แต่อุบาสกได้ห้ามเสียในระหว่างนั่นแล้วว่าขอท่านจงรอกอนลำดับนั้นบุตรและธิดาของอุบาสกก็พรากันร่ำให้คร่ำครวญพวกข้าพระองค์จึงเห็นว่าไม่เป็นโอกาสแล้วจึงลุกจากอาสนะหลี่ออกมาพระชุฆ่าภิสุจทั้งหลายอุบาสกนั้นหาได้กล่าวกับพวกเือไม่ก็เทวดา ประดับรถหกคันน้ำมาจากเทวโลกหกชั้นเชื้อเชิญ อ, อุบาสกนั่นแล้วอุบาสกนั้นไม่ปรารถนาจะให้เป็นอันตรายแก่การแสดงธรรมจึงกล่าวกับเทวดาเหล่านั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าขาถูกแล้วพิกสุทั้งหลายก็ในบัดนี้เขาเกิดที่ไหนพระเจ้าขา เขาเกิดในดุสิตภพค้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นมีความชื่นชมในท่ามกลางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะเป็นที่ชื่นชมในพบดุสิตนั้นแลอีกหรือพระชะ้าถูกแล้วพิกสุท์ตั้งหลายเพราะว่าคนผู้ไม่ประมาทแล้วตั้งหลายจะเป็นเครือดก็ตามเป็นบรญประชิดก็ตาม ย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงทีเดียวได้เม่อตรัสคำนี้แล้วจึงได้นตรัสคำอื่นที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงย่อมรื่นเริง บาลีว่าอิทะโมทติเปจะโมทติกะตะปุญโยอุพยัตตโมทติโสโมทติโหบะโมทติดิศว่ากัมมะวิสุธิมะตะัตโตในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากะตะปุญโยคือผู้กระทำบุญเป็นต้นหมายความว่า บุคคลผู้ทำกุศลมีประการต่างๆย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพระกรรมในโลกนี้ว่ากรรมชั่วเราไม่ได้ทำเลยกรรมดีเราทำแล้วหนอก็เมื่อละไปแล้วย่อมบันเทิงด้วยความบันเทิงเพราะวิบากชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองอย่างนี้บทว่ากรมะวิสุถิง หาถึงความบริสุทธิ์หมดจดแห่งกรรมมีความว่าแม้ทรมิกาอุบาสกเห็นกรรมอันหมดจดคือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วก่อนแต่จะทำกาลกิรยิยาย่อมบันเทิงแม้ในโลกนี้ทำกาลแล้วบัดนี้ก็ย่อมบันเทิงคือย่อมบันเทิงยิ่งแท้แม้ในโลกหน้าในการจบกาถา ชนบนเป็นมากได้เป็นพระอริยาบุคคลมีพระโสดาบันเป็นตนพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนนางนีแลแสเรื่องธรรมมิกะอุบาสก